ากุลทนเกษาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางตรัสรู้เร็วอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองหังสวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นเลิศทางตรัสรู้เร็วคือขิปปาพิญญานางพอใจจึงถวายทานเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้น สมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนางเกิดเป็นพระชธิดาองค์ที่สีของพระเจ้ากิกีแห่งพระนาศีมีชื่อว่าพิกุทาศีเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องออกบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตชาติสุดท้าย นางเกิดในตระกูลเศรษฐีในพระนครราชคลครั้นเป็นสาวแล้ววันหนึ่งได้เห็นราชบุรุษนำโจรไปเพื่อจะดฆ่านางเกิดความรักในโจร น, นั้นบิดาของนางรู้ใจช่วยปลดเปลื้องให้โจรหลุดพ้นจากการฆ่าด้วยรับพันหนึ่งแล้วยกนางให้โจรโจรผู้เป็นสามีออกอุบายให้นางช่วยขนเครื่องบวงสวงไปที่ภูเขาที่มีเหวทิ้งโจรแล้ว คิดจะฆ่านางเพราะความโลภอยากได้เครื่องประดับนางต้องการรักษาชีวิตไว้จึงประนมมือไหว้กล่าวยกเครื่องประดับทั้งหมดให้และยอมเป็นทาสีของโจรแต่โจรไม่เปลี่ยนใจนางจึงออกอุบายพร่ำพรรณนาว่าตั้งแต่ชั้นระลึกได้เป็นผู้รู้เดียงสาฉันไม่รู้จักบุรุษอื่นว่าเป็นที่รักยิ่งกว่านายมาเถิดฉันจะขอกอดนาย จะทำประทักศิลและจะไหว้านายเพราะนายกับดิฉันไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกต่อไปครั้นโจนเผลอนางก็ผลักสามีโจรตกเหวตายแล้วไปบวชในสำนักของปริพาชคที่ครองผ้าขาวพวกปริพาชคเอาแหนบถอนผมนางจนหมดถือเป็นการบวชแล้วพร่ำสอนลัทธิให้นางนั่งพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะปริพาชกทำกับเราผู้เป็นมนุษย์ได้ดังว่าสุดนักด้วยการหักกิ่งไม้มาปักไว้ใกล้เราแล้วหลีกไปนางพิจารณาแล้วได้นิมิตอันตั้งอยู่เหมือนเป็นหมู่นอนลูกจากที่นั้นด้วยความสลดใจจึงถามพวกปริพาชกถึงนิมิตที่ตนเห็นนั้นแต่พวกปริพาชกบอกว่าพวกภิกษุสักยะบุตรย่อมรู้เรื่องนั้นได้ นางจึงเข้าไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าท่านพานางเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าขันอยตนะและธาตุทั้งหลายไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานางบรรลุ ธ, ธรรมจักสุกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทบวชเป็นภิกษุณีแล้วพิจารณ า, าน้ำล้างเท้าก็เห็นความเกิดและความดับ คิดว่าสังขารทั้งปวงก็ย่อมเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันท่านได้บรรลุพระอรหัสต์ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางขิปปาพิญญาคือรู้เร็วคือบรรลุธรรมเร็วกำเนิดโจร และอุบายฆ่าโจรอธกิกถาเล่าว่าบิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่าพัฒธาในวันเดียวกับที่นางเกิดนั้นภรยาปุโรหิตก็คลอดลูกชายพร้อมกับเวลาที่เขาคลอดนั้นอาวุธทั่วพระนครก็มีแสงลุกโผล่รุ่งขึ้นพระราชาพิมพิสารรัดถามปุโรหิตว่าเมื่อคืนทำไมมีแสงที่อาวุธ ปุ・รูหิตทูลว่าบุตรชายของตนเกิดเลิกโจรเขาจะเป็นศัตรูกับคนทั่วพระนครแต่ไม่เบียดเบียนพระราชาพระราชาจึงสั่งให้เลี้ยงไว้ไม่ต้องฆ่าบิดาจึงตั้งชื่อว่าสัตตุกะเมื่อเขาเริ่มวิ่งเขาก็จะนาสิ่งของที่เขาพบมาเก็บที่เรือนบิดาแม้มารดาบิดาจะห้ามปรามก็ไม่สาเร็จ เมื่อรู้ว่าห้ามไม่ได้บิดาจึงใช้ผ้าสีเขียวสองผืนให้อุปกรณ์สําหรับตัดช่องย่องเบาทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาเขาก็กระทําตัวเป็นโจนย่องเบาซับบ้านเรือนประชาชนไม่มีเรือนหลังใดที่เขาไม่เคยขึ้นวันหนึ่งพระราชาเสด็จเที่ยวไปในพระนครทอดพระเนตรเห็นบ้านเรือนทุกหลังมีช่องปรากฏอยู่สารถีทูลว่า ขณะนี้มีโจรชื่อสัตตุกะตัดฝ้าเรือนเพื่อลักทรัพย์จากสกุลทั้งหลายพระราชาตรัสให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจับให้ได้ไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะถูกลงอาญาเองเจ้าหน้าที่ระดมกําลังสอบสวนไม่นานก็สามารถจับโจรได้พร้อมหลักฐานรัดสั่งให้โบยพันธีให้นำไปประหาร วันที่เจ้าหน้าที่นำโจรไปประหารนางพัฒนาได้แอบเห็นโจรทางหน้าต่างก็หลงรักจนหมดใจนางมีสีหน้าหม่นหมองบิดามารดาสอบถามทราบความแล้วไม่อยากให้บุตรสาวคนเดียวเป็นทุกข์จึงติดสินบนพนักงานหนึ่งพันกหาปนักพวกเขายื้อเวลาจนถึงพรบ่ําแล้วนำโจรคนหนึ่งออกจากคุกไปประหารแทน อัตกถาธรรมบทว่าบิดามารดาเห็นนางมีอายุ16ปีแล้วก็เกรงว่าที่ดาจะฝักใฝ่ในบุรุษจึงให้อยู่แต่ในประสาทเจ็ดชั้นอนุญาตให้มีนางทาสีคนหนึ่งดูแลนางเห็นโจรแล้วนึกรักไม่กินอาหารเมื่อมารดาถามก็บอกว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ถ้าหากไม่ได้เข้ามาเป็นสามี สัตตุกะโจรอยู่ร่วมกับนางพัฒนาได้สองสามวันเห็นสิ่งของเครื่องประดับจํานวนมากก็โลภอยากได้จึงออกอุบายว่าได้บนบาลเทวดาไว้ให้รอดตายจากการประหารตนต้องการไปถวายพลีกรรมแก้บนเทวดาบนภูเขาและเพื่อให้เทวดาพอใจสั่งว่าเจ้าตกแต่งเครื่องประดับให้เต็มที่ครั้งขึ้นบนภูเขาแล้ว โจรบังคับให้นางถอดเครื่องประดับใส่หอเพื่อซ่อนไว้ตรงทางขึ้นนางถามว่านายจ๋าเครื่องประดับเป็นของใครตัวฉันเป็นใครโจรผู้เป็นสามีตอบว่าเราไม่รู้ของของเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของของเราก็เป็นส่วนหนึ่งอัิกถาเถรีคาถาเล่า ว, ว่าสัตตูกาจโจรและนางพัฒนาเดินทางไป โดยมีบริวารติดตามและโจรขอให้บริวารอยู่ทางขึ้นภูเขาเมื่อขึ้นไปบนเขาโจรก็ไม่ได้มีวาจาแสดงความรักเลยนางจึงเริ่มรู้ความประสงค์ของโจร น, นางพัฒนาตอบว่าดีแล้วจ้ะพี่ท่านแต่ขอให้พี่ท่านจงทําความประสงค์ของน้องสักอย่างให้สมบูรณ์ทีเถิดขอพี่ท่านให้น้องได้สวมกอดพี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ก่อนที่น้องจะถอดเครื่องประดับเถิดโจรรับปากว่าได้สิจ้านางทาทีเป็นสวมกอดข้างหน้าแล้วทาทีจะกอดข้างหลังโจรชะล่าใจอยู่นางก็ผลักเขาตกเหวร่างแหลกตายครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาเห็นความที่นางทำให้โจรแหลกละเอียดได้จึงกล่าวคำสลรเสริญว่า บูรุตนั้นไม่ใช่จะเป็นบัณฑิตไปเสียทุกที่ทุกสถานแต่สตรีผู้มีวิจารณญาณในที่นั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้บูรุตนั้นไม่ใช่จะเป็นบัณฑิตไปเสียในที่ทุกสถานแต่สตรีคิดอ่านแม้ครู่เดียวก็เป็นบัณฑิตได้อัรถกถาธรรมบทว่าโจรทำเป็นไม่กินอาหารนอนอยู่บนเตียงเมื่อนางถามก็เล่าถึงความทุกข์ ในความไม่สบายใจที่ยังไม่ได้แก้บนเทวดาซึ่งบนไว้ให้รอดตายและขอให้ได้พบคนอย่างเธอนางถามว่าท่านต้องการอะไรบ้างก็ตอบว่าต้องการข้าวมัทูปาย่าิมีน้ําอ้อยและดอกไม้มีข้าวตอเป็นที่ห้านางจึงให้คนจัดพร้อมแล้วโจนกล่าวขอว่าไม่ต้องการให้พวกญาติไปด้วยส่วนเธอจงใส่ผ้า และเครื่องประดับให้เต็มที่เราจะเดินพลางเล่นพลางกันไปเรื่อยๆครั้นถึงเชิงเขาโจนก็สั่งอีกว่าขอให้เธอสั่งพวกของตนที่ติดตามให้กลับไปพร้อมกับยานเราจะขึ้นไปเพียงสองคนเท่านั้นถึงยอดเขาแล้วเขาก็แสดงท่าโจนออกมากล่าวว่าฉันไม่ได้มาเพื่อผลีกรรมแต่หลอกเธอมาเพื่อเอาเครื่องประดับของเธอ นางกลัวตายจึงพูดต่อรองว่าเราเป็นสามีภรรยากาันของของดิฉันก็เหมือนของของท่านแต่โจรยืนยันจะต้องฆ่าทิ้งนางก็พูดยกทรัพย์ให้ทั้งหมดแลกกับชีวิตหรือขอให้ทานางเป็นทาสก็ได้โจรกล่าวว่าหากเธอไม่ตายเธอก็จะกลับไปบอกมารดาบิดานางเห็นจวนตัวแล้ว จึงยกเหตุผลที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เคยมีอุปการะต่อท่านอย่างไรก็จะขอไหว้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วทำประทักษิณเดินวนรอบสามครั้งไหว้โจรทั้งสีทิศแล้วสวมกอดด้านหน้าย้ายมาด้านหลังช่วยโอกาสจังหวะนั้นผลักโจรตกเหว อ, อกบวชในลัทธินิครณจากนั้นนางไม่กล้ากลับบ้านไปพบมารดาบิดาเริ่มคิดถึงการบวชจึงไปยังอารามของพวกนิครณอธกะถาอื่นว่าบวชในสำนักปริพาชคแล้วขอบวชพวกนิครณถามว่าท่านจะบวชแบบไหนนางตอบว่าสิ่งใดเป็นของสูงสุดในบรรพชาของท่านขอท่านจงกระทำสิ่งนั้น พวกนี้กลนรับว่าดีแล้วจึงเอาก้านตาลถึงถอนผมของนางแล้วให้บวชเมื่อผมงอกขึ้นก็งอกขึ้นในวงกลมคล้ายตุ้มหูเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาเพราะเหตุนั้นนางจึงมีชื่อว่ากุลทนเกสาฉบับมหาจุฬาว่ากุลทนเกสีนางเรียนศิลปะทุกอย่างในสำนักนั้น ครันรู้ว่าวิเศษที่ยิ่งกว่านี้ของพวกนิครนเหล่านี้ไม่มีนางจึงเที่ยวไปยังที่ต่างได้ยินว่ามีบัณฑิตในที่ใดก็ไปในที่นั้นๆเรียนศิลปะที่บัณฑิตเหล่านั้นรู้อัตถกถาธรรมบทเล่า ว, ว่าก่อนบวชนางถามปริพาชกว่าอะไรเป็นสิ่งสูงสุดในบรรพชาแห่งลัทธิของท่านปริพาชกตอบว่า ผู้บรรพชาจเจริญกสินสิบแล้วทำฌานให้เกิดขึ้นบ้างหรือเรียนวาทะหนึ่งพันวาทะนั่นเป็นประโยชน์สูงสุดแห่งบรรพชาของพวกเรานางกล่าวว่าดิฉันจะยังไม่ทำฌานให้เกิดขึ้นก่อนแต่จะเรียนวาทะพันหนึ่งก่อนพวกปริพาชกสอนให้นางแจมแจ้งในวาทะหนึ่งพันแล้วกล่าวว่าบัดนี้เธอเรียนจบแล้ว เธอจงเที่ยวไปให้ทั่วชมภูทวีปเสาะหาคนที่โต้วาทะกับเธอเถิดแล้วให้กิ่งว่าแก่นางสั่งว่าไปเถิดนางผู้เจริญหากใครๆผู้เป็นขลารือหัดกล่าวแก้ปัญหาของเธอได้เธอจงเป็นภรยารับใช้เขาหากเป็นบรรพชิตก็จงบวชในสำนักของเขานับแต่นั้นนางก็มีชื่อว่าชัมผู้ปริพาชิกา คือปริพาจิกาผู้ถือกิ่งว่าเที่ยวไปถามปัญหากับบุคคลต่างๆจนไม่มีใครกล้าตอกกรด้วยคนทั้งหลายเห็นนางมาก็จะพากันหนีไปนางจึงต้องก่อกองทรายและปักกิ่งว่าไว้และสั่งพวกเด็กๆไว้ว่าหากใครต้องการโตวาทะกับเราก็จงเหยียบกิ่งว่าแล้วก็เข้าไปหาอาหารในบูบ้าน เมื่อไม่มีใครกล้าเหยียบกิ่งว่าก็เหี่ยวแห้งไปนางก็หากิ่งใหม่มาปักจนวันหนึ่งพระสารีบุตรมาพบสั่งให้เด็กๆ เ, เหยียบนางกลับมาเห็นแล้วดุเด็กๆ เ, เด็กเหล่านั้นก็บอกว่าพระเถระให้เหยียบนางจึงถามพระเถระแล้วนัดหมายสถานที่ต้อวาทะในเวลาบ่ายทั่วทั้งเมืองก็ลือกันว่า พวกเรากำลังจะได้ฟังการโตวาทะของสองบัณฑิตแล้วพากันติดตามนางไปพบพระเถระนางปริพาชิกาวาแล้วเป็นผู้ถามก่อนซึ่งพระสารีบุตรตอบได้ทั้งหมดแล้วคำถามแรกกับนางแต่นางไม่อาจตอบได้จำนอนอยู่แล้วเรียนถามว่าปัญหานี้ชื่ออะไรพระเถระตอบว่าพุทธมน นางจึงขอบวชพระเถระก็แนะให้ไปสำนักภิกษุณีบวชแล้วไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์แพ้โตวาทะพระสารีบุตรส่วนอัตถกถาเอกนิบาทเล่าว่านางเรียนจนหาคนที่จะโต้ตอบวาทะด้วยไม่ได้เมื่อหาผู้รู้ไม่ได้ เวลานางไปที่ใดก็จะก่อกองทรายแล้วปักกิ่งต้นว่าไว้บนกองทรายซึ่งอยู่ที่ประตูบ้านหรือนิคมนั้นจากนั้นก็บอกเด็กๆบริเวณนั้นไว้ว่าหากมีผู้ใดสามารถจะโต้ตอบวาทะของเราได้ขอให้ผู้นั้นจงเหยียบกิ่งไม้เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่มีคนเหยียบนางก็จะถือกิ่งไม้นั้นหลีกไปสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทับที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีนางกุลทนเกสาก็ไปถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเมื่อเข้าไปภายในพระนครแล้วก็ปักกิ่งไม้ไว้บนกองทรายทำนองเดิมนั่นแหละครั้งนั้นพระสารีบุตรเทระเข้าไปในพระนครเห็นกิ่งว่าที่กองทรายแล้วก็ถามเด็กๆว่าทาไมเขาจึงปักไว้ ท่านทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวให้เด็กๆ ด, ดึงกิ่งว่าออกมาเหยียบเล่นแต่เด็กเหล่านั้นบางคนก็กลัวไม่กล้าเหยียบบางคนก็กล้าเหยียบจนแหลกนางกุณฑลเกศาบริโภคอาหารแล้วเดินออกไปเห็นกิ่งไม้ถูกเหยียบย่ำจึงสอบถามเด็กว่าเป็นการกระทําของใครเด็กจึงบอกว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้เหยียบ นางคิดว่าพระรูปนั้นหากไม่รู้กําลังของตนก็จะไม่กล้าเหยียบย่ากิ่งไม้ท่านจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนเรายังจัดเป็นผู้น้อยอยู่จะมีเชื่อเสียงไม่ได้เลยหากไม่ได้โต้วาทะกับผู้ยิ่งใหญ่เราควรจะเข้าไปในบ้านก่อนแล้วประกาศแก่พวกผู้คนให้รู้ว่าเราจะโต้วาทะกับพระเถรรูปนั้น ท่านว่าในพระนครสาวัตถีนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของตระกูลถึง8ปดหมื่นตระกูลคนทั้งหมดนั้นต่างรู้จักกันด้วยอำนาจที่มีความเท่าเทียมกันฝ่ายพระเถระฉันพัทแล้วนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งที่นั้นนางก็ถือเศษกิ่งว่ามีมหาชนห้อมล้อมเดินเข้ามาหาพระเถระกระทำการทักทายกันแล้ว นางถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าให้เด็กเหยียบกิ่งไม้นี้หรือพระสารีบุตรตอบว่าใช่แล้วเราให้เหยียบย่าเองนางคุณทนเกษาเมื่อเป็นอย่างนั้นดิฉันกับพระคุณเจ้ามาโต้วาทะกันนะพระเถระได้สิน้องนางนางคุณทนเกษาใครจะถามใครจะกล่าวแก้เจ้าข่า พระเถระความจริงคาถามตกแก่เราแต่ท่านจงถามสิ่งที่ท่านรู้เถิดนางถามลัทธิตามที่ตนรู้มาทั้งหมดทีเดียวพระเถระกล่าวแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หมดเมื่อหมดคำถามแล้วนางได้นั่งนิ่งอยู่พระเถระกล่าวว่าท่านถามเราหมดแล้วเราจะถามท่านข้อหนึ่งนางกล่าวว่าถามเธอเจ้าค่ะพระเถระถามว่า ที่ชื่อว่าหนึ่งคืออะไรนางตอบว่าดิฉันไม่ทราบเจ้าค่ะพระเถระเท่านี้เธอก็ไม่ทราบเธอจะทราบอะไรอย่างอื่นเล่านางหมอบลงแทบเท้าของพระเถระเรียนว่าดิฉันขอถึงพระคุณเจ้าเป็นสารณะเจ้าค่ะพระสารีบุตรจะทำการถึงเราเป็นสารณะไม่ได้มีบุคคลผู้เลิศในโลก พร้อมทั้งเทวโลกประทับอยู่ที่วิหารใกล้ๆนี่เองขอเธอจงถึงพระองค์เป็นสารณะเถิดนางกล่าวรับว่าดิฉันจะ ก, กระทำเช่นนั้นเจ้าค่ะท่านเฉลยว่าอาหารชื่อว่าหนึ่งเพราะทำให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงชีวิตอยู่ได้ บรร ล, ลุธรรมในเวลาเย็นขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่นางก็ไปถวายบังคมด้วยเบญจางคปดิ์แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสธรรมตามความประพฤติของนางว่าหากคาถาที่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์แม้จะมีตั้งพันคาถาก็ตามคาถาเดียวที่ฟังแล้วทาให้สงบระงับได้ประเสริฐกว่า จบพระคถ า, าทั้งที่นางยืนอยู่นั่นเองก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทากราบทูลขอบรรพชาบวชแล้วผู้คนได้พูดยกย่องกันว่านางยิ่งใหญ่จริงเพราะฟังเพียงคถ า, าเพียงสี่บทก็บรรลุพระอรหันต์ได้พระศาสดาทรงทราบแล้วทรงยกย่องว่าท่านเป็นภิกษุผู้เลิศทางตรัสรู้เร็ว ครั้นท่านบวชแล้วได้นึกถึงความเป็นมาแห่งชีวิตตนแล้วจึงอุทานว่าแต่ก่อนข้าพเจ้าถอนผมอมมูลฟันมีผ้าผืนเดียวเที่ยวไปรู้ในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษข้าพเจ้าออกจากที่พักกลางวันก็ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสดุจธุลี อันมูภิกษุแวดล้อมที่ภูเขาคิชกูดจึงคุกเข่าถวายบังคมทำอัญชลีต่อพระพักพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพัทาจงมาพระดำรัสสั่งนั้นทำความหวังของข้าพเจ้าให้สำเร็จสมบูรณ์ข้าพเจ้าจาริกไปทั่วแคว้นอังคะมะคตกาสีและโกสลบริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านมาห้าสิบปี ไม่เป็นหนี้ท่านอุบาสกผู้ใดถวายจีวรแก่ข้าพเจ้าพัฒาผู้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทุกอย่างแล้วท่านอุบาสกผู้นั้นประสบบุญอันมากหนอ1สิบพระพัตติกาปิลานีเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางระลึกชาติ อดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเกิดเป็นภรรยาของวิเทหะเศรษฐีในหังสวดีเศรษฐีพร้อมกับชนผู้เป็นบริวารเข้าเฝ้าฟังธรรมและได้พบเห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งว่าเลิศดทางทุดงสามีจึงกระทำ ม, มหาทานตลอดเจ็ดวันแล้วเปร่งวาจาปรารถนาตำแหน่งนั้นต่อเบื้องพระพัก ซึ่งทรงพยากรว่าจาักสำเร็จในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเศรษฐีและญาติมิตรร่วมกันสร้างสถูปด้วยรัตนสูงเจ็ดยอและปลูกต้นพยารังที่มีดอกบานสัพร่างสักการะบูชาพระศาสดาในครั้งนั้นนางให้ช่างเจ็ดคนนำรัตนเจ็ดอย่างยกพวงทองตั้งไว้ระหว่างหม้อแดใบ เกียงเจ็ดแสนดวงมีน้ํามันหอมเต็มทุกท่วนตามประทีปไว้ณที่นั้นที่ประตูทั้งสี่มีเสาระเนียรสร้างด้วยรัตนาะมีท่านตั้งไว้งดงามมีพันดอกไม้และธงรัตนะและนางก็ได้สร้างพระสถูปสามด้านด้านหนึ่งบรรจุหอรดานด้านหนึ่งบรรจุมโนศิลาด้านหนึ่งบรรจุแรบพวง บูชาพระพุทธเจ้าและถวายมหาทานแด่พระสมภพกราวทรรมอันประเสริฐตามกำลังจนตลอดชีวิตสองสามีภรยาเกิดร่วมกันเป็นดุดเงาตามตัวในทุกๆุกบอพอธกถาเล่าเพิ่มเติมว่าครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วเห็นการแต่งตั้งภิกษุณีผู้เลิศทางบุกเพนิวาสยานหรือบุกเพนิวาสานุสติยาน จึงกระทำกุศลเพื่อปราคนาตาแหน่งนั้นสมัยพระพุทธเจ้าวิปสัสสีนางก็เกิดเป็นภรยาของพราม์นั้นเอกสารดกพราม์ผู้มีผ้าผืนเดียวต่อมาคือพระมหากัสปะทั้งสองมีจิตใจเสมอกันมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียววันหนึ่งพรามไปฟังธรรมและได้ถวายผ้าผืนนั้นแด่พระพุทธเจ้า เมื่อเอาชนะความตระหนีได้ถวายผ้าแล้วร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าพันธุมราชประทับฟังธรรมอยู่ด้วยทรงสดับแล้วก็สอบถามแล้วพระราชทานทรัพย์ให้เป็นจำนวนมากกลับถึงเรือนก็บอกให้ภรยากล่าวอนุโมทนา ใสโครนในบาททำให้มีกลิ่นตัวเหม็นสมัยโลกว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าพรามเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพารณสีนางเกิดเป็นพระมเหสีได้ถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแปดพระองค์แล้วทรงให้สร้างมนตดบแก้วประดับทองกว้างร้อยศอกแล้วนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาในพระราชนิเวศเพื่อรับมหาทาน แม้พระนางก็ได้ถวายด้วยจากนั้นนางมาเกิดในกาศิกคามเมืองพระนศีส่วนพระเจ้าแผ่นดินมาเกิดในตระกูลกุดุมพีและได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันวันหนึ่งน้องชายของสามีได้นําอาหารของพี่ชายถวายแด่พระประเจ ก, กพุทธเจ้าเมื่อสามีนางได้ทราบก็ไม่ยินดี นางจิงได้นําข้าวมาให้สามีเพื่อถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าเขาก็ถวายนางจึงกโกรธนําบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าเททิ้งแล้วใส่เปลือกตมเข้าไปแทนแต่นางก็เกิดความสลดใจเมื่อเห็นสีหน้าสงบของพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้พบทั้งการให้การรับการเคารพและการประทุษร้ายก็ยังมีสีหน้าปกติ ทำให้นางเกิดความเลื่อมใสนำบาทมาทำความสะอาดด้วยน้ำหอมใส่น้ำตาลกรวดกับเปลียงจนเต็มแล้วถวายคืนตั้งแต่นั้นมานางเกิดในภพใดใดแม้จะมีรูปงามแต่ก็มีกลิ่นตัวเหม็นมากอธกถาเล่าต่างไปว่านางทะเลาะ ก, กับน้องสาวของตนเห็นน้องสาวถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกพะพุทธเจ้าก็คิดว่านางถวายบิณฑบาตแล้ว จะทำให้เราอยู่ในอำนาจเธอจึงได้นำบาดนั้นมาเททิ้งใส่คโคลนตมเข้าไปแทนแล้วถวายผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันตำหนิว่านางเป็นพานทะเลาะ ก, กับคนหนึ่งแล้วไปทำร้ายอีกคนหนึ่งท่านทำผิดอะไรต่อเธอนางฟังแล้วละอายใจสำนึกผิดนำบาดมาเทคโคลนตมออก ล้างแล้วเอาฝุ่นหอมขัดสีใส่อาหารรสอร่อยสี่อย่างจนเต็มแล้ววางบาทซึ่งงดงามด้วยเนยใสมีสีดุดภายในดอกบัวหลวงวางไว้บนมือพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าบิณฑบาตนี้เกิดมีแสงสว่างชั้นใดขอให้สริรักของดิฉันจงมีแสงสุขสว่างชั้นนั้นเถิด ส่วนในอัตกถาเทรีคถ า, าว่านางทะเลาะ ก, กับน้องสาวของสามีครั้นเห็นน้องสาวสามีถวายบิณฑบาตก็คิดว่าจะทำให้นางได้สมบัติใหญ่จึงนำบาทนั้นมาเททิ้งน้ำอิดชุบของหอมสร้างพระเจดีกลิ่นตัวที่เหม็นหายไป สมัยพระพุทธเจ้ากัดสปะสามีของนางให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระสรีรัตทัดของพระพุทธเจ้าส่วนานางได้ถวายแผ่นอิฐทองคาอย่างดีด้วยการชุบอิฐนั้นด้วยของหอมสี่ชนิดด้วยบุญนั้นทำให้กลิ่นตัวที่เหม็นหายไปนางให้ช่างทำรัตนเจ็ดเป็นถาดเจ็ดพันถาดให้เต็มด้วยเปลียงและไส้เป็นพันๆ ให้ตามประทีพไว้เจ็ดแถวเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอธถกะถาว่าครั้งนั้นนางเกิดเป็นทิดาเศรษฐีแล้วจะแต่งงานกับบุตรเศรษฐีต่อมาเป็นพระมหากษัะผู้มีทราพแปดสิบโกดแต่ด้วยผลบาปพอถึงตระกูลสามีได้กลิ่นเหม็นออกจากตัวเหมือนซ้วมที่เปิดฝาไว้เหม็นตั้งแต่ย่างเข้าไปในธรณีประตู สามีถามว่ากลิ่นนี้ของใครพอได้ฟังว่ากลิ่นตัวลูกสาวเศรษฐีก็ให้นำกลับไปยังตระกูลที่มานางถูกรับถูกส่งอยู่เจ็ดครั้งหลังพระพุทธเจ้ากระสปะปรินิพานมีการก่อสร้างพระเจดีย์สูงยอดหนึ่งนางคิดว่าเราถูกส่งกลับเจ็ดครั้งจะมีประโยชน์อะไรในชีวิตเราจึงได้ให้หลอมเครื่องประดับทมเป็นอิ ทองยาวสอกกว้างคืบสูงสี่นิ้วจากนั้นก็ถือก้อนหอระ ด, ดานและมโนศิลาเก็บเอาดอกบัวแปดกรรมัมแล้วไปยังสถานที่สร้างเจดีขณะนั้นขาดก้อนอิดสาหรับเชื่อมต่ออยู่ก้อนหนึ่งพอดีนายช่างจึงให้นางวางด้วยตนเองนางจึงขึ้นไปเอาน้ามันผสมหอร ด, ดานและมโนศิลาวางอิดติดยูดให ได้ด้วยเครื่องยึดนั้นแล้วบูชาด้วยดอกอุบล8กรรมมือไหว้และตั้งความปรารถนาว่าในที่ที่เราเกิดขอให้กลิ่นจันทจงฟุ้งออกจากตัวกลิ่นอุบลจงฟุ้งออกจากปากแล้วไหว้พระเจดีทําประทักษิณกลับไปบัตรนั้นบุตรเศรษฐีเกิดสติคิดถึงนางส่งคนไปรับพร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่องประดับนางมาถึงแล้วครั้งนี้มีแต่กลิ่นจันและกลิ่นอุบลสมัยโลกว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าด้วยบุญนั้นสามีไปเกิดในแคว้นกาสีมีชื่อว่าส um ุมิตะส่วนนางเป็นภรรยาของเขา สามีได้ถวายผ้าโภกสีสันเนื้อดีแก่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าแม้นางก็ร่วมอนุโมทนาสามีได้ไปเกิดเป็นชาวโกริยะในแคว้นกาสีนางก็เป็นภรรยาของเขาสามีและบุตรของนางร่วมกับชาวโกริยะห้าคนช่วยกันบำรุงพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าห้าองค์ด้วยการนิมนต์ให้อยู่จําพรรษาและถวายไตรจีวร ตัวนางก็ตั้งอยู่ในกุศ ล, ลกรรมบทสามีมาเกิดเป็นพระราชามีพระนามว่านันทะนางก็เป็นพระมเหสีเป็นผู้ที่มีสมบัติสาเร็จตามที่ต้องการพระเจ้านัน t ะมาเกิดเป็นพระเจ้าพรมทัสนางก็เป็นพระมเหสีได้บํารุงพระประเจกะพุทธเจ้าห้ารองค์ซึ่งเป็นบุตรของนางปทุมวดีและก็ได้สร้างเจดีหลายองค์ เพื่อบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานแล้วทั้งสองจึงออกบวชเจริญอปามัญญาสวรรคตรแล้วเข้าถึงพรหมโลกชาติสุดท้ายบาลีอปทานเล่าว่าทั้งสองจุติจากพรหมโลกสามีมาเกิดเป็นพรามชื่อปิดภรายนะ หรือปิดภริมานกต่อมาคือพระมหากสปะเทระในมหาติฐะมารดาชื่อสุมนเทวีมีดาเป็นพราหมโกรศยโครส่วนตัวนางเกิดเป็นทิดาของกบิลพารามมีมารดาชื่อสุจิมาเตในมัทธชนบทนครสาคาระหรือสาคลนครก็เรียก อธกถาว่าขึ้นอยู่กับแควนมคตบิดาของนางให้หล่อรูปนางด้วยทองคำแท่งแล้วถวายรูปหล่อนั้นแด่พระกสปะทีระผู้เว้นจากการทั้งหลายครั้นพรามปิีพลายณนะเติบโตเป็นหนุ่มทั้งสองแต่งงานกันแล้ววันหนึ่งได้ไปตรวจดูงานพบเห็นสัตว์ทั้งหลายถูกกาจิกกินก็เกิดความสลดใจ ส่วนนางก็ได้เห็นกาจิกกินน้อนจากเมล็ดงาที่นำออกพึ่งแดดก็เกิดความสลดใจเมื่อพรามปิดภรรยนะผู้เป็นสามีออกบวชนางก็ออกบวชตามด้วยการไปบำเพ็ญศีลพรสในสำนักปริพาโชคห้าปีต่อมาก็เข้าไปพบพระมหาปชาบดีขอบวชเป็นภิกษุณีไม่นานนักนางก็ได้บรรลุอรหัตผล เงื่อนไขที่จะแต่งงานของปิดภริมานบอัตกะทาว่าเมื่อนางพัฒมีอายุได้16ปีปิดภริมานบอายุ20สิปีบิดามารดาของปิดภริมานบเคี่ยวเข็นให้เขามีภรรยาเพื่อจะได้มีบุตรไว้สืบสกุลแม้เขาจะปฏิเสธด้วยคำว่าอย่าห่วงไปเลยลูกจะดูแลพ่อแม่ตราบเท่าที่ชีวิตจะหาไม่เมื่อท่านทั้งสองตายแล้วลูกก็จักออกบวช คลั้นทนรบเร้าจากท่านทั้งสองไม่ได้เขาจึงจ้างช่างทองให้ปั้นรูปสตรีขึ้นรูปหนึ่งนำไปแสดงแกบิดามารดากล่าวว่าหากท่านหาหญิงได้ดังรูปปั้นนี้ลูกจะแต่งงานบิดามารดาคิดว่าลูกเรามีบุญสั่งสมบุญไว้มากเมื่อทำบุญคงไม่ได้ทำเพียงคนเดียวจะต้องมีหญิงเคยทาบุญร่วมกับเขาไวแน่นอน และหญิงนั้นจะต้องมีรูปร่างหน้าตาเหมือนรูปทองนี้ทั้งสองท่านเลี้ยงดูพรามแปดคนให้อิ่มหนำแล้วสั่งว่าพวกท่านจงช่วยกันไปสืบหาหญิงที่มีลักษณะเหมือนรูปทองคำนี้ในตระกูลที่เสมอกันกันกบเราด้วยชาติโคดและรั์พบที่ใดให้ยกรูปปั้นมอบให้นางแล้วสู่ขอนางให้บุตรเรา พวกพราหมณ์นำรูปทองไปสแสวงหาหญิงจนถึงท่าน้ำสาคละนครในมัทธรัฐที่นั้นแม่นมของนางพัฒนาพบรูปปั้นคิดว่าเป็นนางพัทนาจึงตีที่แขนว่ามาอยู่ทําไมที่นี่เราบอกให้เธออาบน้ำแล้วเข้าห้องมิใช่หรือแล้วเกิดอาการเจ็บมือพวกพราหมณ์เห็นอาการที่แม่นมทากับรูปปั้นนั้นแล้ว สอบถามถึงเหตุที่ตีรูปทองนางกล่าวว่าทิดาแห่งแม่เจ้าของเรางามกว่ารูปนี้ร้อยเท่าพันเท่าเมื่อเธอนั่งอยู่ในห้องไม่ต้องใช้ประทีปเพราะมีแสงสว่างออกจากร่างของนางไกลประมาณสิบสองศอกพวกพราหมณ์ก็พากันไปสู่ขอนางจากโกริยะพราหมณ์บิดาของนางที่เรือนแล้วส่งข่าวไปให้กบิลละพราหมณ์ทราบว่า ได้หญิงที่มีรูปเหมือนรูปปั้นแล้วปิดผลิตมานพและนางพัฒนาทราบข่าวว่าต้องแต่งงานต่างก็ไม่ประสงค์จะแต่งต่างคนต่างเขียนจดหมายปฏิเสธการแต่งแสดงความประสงค์ว่าจะออกบวช ด, ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วใช้ให้คนของตนไปส่งแก่อีกฝ่ายหนึ่งแต่ในระหว่างทางผู้นำจดหมายได้พบพูดคุยกันแล้วตัดสินใจแกออกอ่าน ทราบความแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงดูการกระทาของเด็กทั้งสองฉีกจดหมายทิ้งในป่าแล้วเขียนขึ้นมาใหม่เป็นถ้อยคำแสดงความรักความต้องการความรอคอยส่งไปทั้งสองคนจึงต้องมงคลวิวากกันพบความทุกข์ในการครองเรือน หลังงานแต่งแล้วปิดผลิตมานพได้ร้อยพวงมาลัยขึ้นพวงหนึ่งแม้นางพัฒาก็ร้อยเช่นกันทั้งสองวางพวงมาลัยกั้นกลางที่นอนยามนอนมานพจะขึ้นนอนทางขวานางพัฒขึ้นนอนทางซ้ายกล่าวว่าหากจิตใครมีราคะดอกไม้ของผู้นั้นจะเหี่ยวแล้วนอนแต่ก็ไม่สามารถหลับลงได้ทั้งคืนแม้ในายามกลางวันทั้งสองก็ไม่ได้เล่นหัวกัน แม้การนึกถึงทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้มีจนกระทั่งบิดามารดาตายลงท่านว่ามานพมีทรัพย์คือสะใหญ่60สิบะผูกติดเครื่องยนต์ทําการงานในที่ประมาณ12โยอบ้านสวย14ตําบลเท่ากับเมืองอนุราทบุรียานที่เทียมด้วยช้าง14ยานเทียมด้วยม้า14เทียมด้วยรถสิสี่ วันหนึ่งมานพขี่ม้าไปดูงานที่ท้องนาทำให้ได้เห็นนกกาจิกกินไส้เดือนเป็นต้นจึงถามพวกคนงานว่าบาปเหล่านั้นจะตกแก่ใครพวกเขาตอบว่าบาปย่อมตกถึงท่านผู้เป็นเจ้าของเขาคิดว่าถ้าบาปมีแก่เราแล้วทรัพย์ที่เรามีอยู่ถึงแปดโกดก็ป้องกันเราไม่ได้เราจะมอบทรัพย์ให้แก่นางพัฒนา ส่วนเราจะบวชแม้วันนั้นนางพัทนาก็ให้คนงานตากหม้อเมล็ดงาสามหม้อแล้วนั่งดูอยู่ได้เห็นนกกาจิกกินสัตว์ที่อยู่ในเมล็ดงาก็ถามเหล่านางพี่เลี้ยงว่าบาปอากุศลจะตกแก่ใครพวกเขาตอบว่าบาปย่อมมีแก่แม่เจ้านางคิดว่าถ้าบาปอากุศลตกแก่เราการที่เราได้ผ้าสีสอเข้าสารเพียงหนึ่งทนานก็ดีกว่า เพราะถ้ากุศลที่คนงานทาย่อมมีแก่เราเราก็จะไม่อาจเงยหัวขึ้นจากวตาสงสารได้เราจะมอบทรัพย์ให้แก่เขาแล้วออกบวชหลังจากกลับดูการงานอาบน้ำแล้วขึ้นสู่ประสาทมานบถามนางว่านางผู้เจริญเธอมาสู่เรือนนี้นำทรัพย์มาประมาณเท่าไหร่นางพัฒนาบอกว่าห้า0 0ื่้พันเล่มเกวียนค่ะ ลูกเจ้ามานพรับทั้งหมดรวม87โกดและสมบัติอื่นทั้งหมดฉันมอบให้เธอนางพัทนาแล้วท่านลูกเจ้าจะไปไหนล่ะมานพเราจกบวชนางพัทนาลูกเจ้าแม้ดิฉันก็นั่งคอยการมาของท่านอยู่เช่นกันแม้ดิฉันก็จักบวช ออกบวชบรรลุ ธ, ธรรมบัตรนั้นพบทั้งสามปรากฏแก่คนทั้งสองเหมือนของร้อนเป็นเหมือนไฟกําลังลุกไหม้ที่กุดีที่มุงด้วยหญ้าและใบไม้เป็นต้นแล้วใช้ให้คนไปตลาดหาซื้อผ้าย้อมน้ำฝาดและบาดดินมาให้จากนั้นทั้งสองปรมผมให้แก่กันเสร็จแล้วกล่าวว่าพระอรหันต์เหล่าใดามีอยู่ในโลกเราทั้งหลายจงบวชอุทิศพระอรหันต์เหล่านั้น บวชแล้วใส่บาทลงในถุงคร้องไว้ที่ไหล่ลงจากปราสาทไม่มีใครๆจํจได้ถึงทาสคามที่อยู่ของพวกทานมีชาวบ้านจําได้พากันหมอบที่เท้าวิงวอนไม่ให้ทิ้งพวกเขาไปก็กล่าวว่าถ้าเราจะอยู่เพื่อทำแต่ละคนให้เป็นไทยซ้ายแม้เวลาหนึ่งร้อยปีก็ไม่พอพวกท่านจงทําตนให้เป็นไทยเถิด แล้วหลีกไปในขณะที่พวกเขากำลังร้องไห้มานบเดินไปข้างหน้าเลี้ยวกลับมาดูนางคิดว่านางพัฒากาปีลานีนี้เป็นหญิงที่มีค่าที่สุดในชมพูทวีปเดินตามมาข้างหลังเราจะทำให้ใครใครคิดว่าแม้บวชแล้วทั้งสองก็ไม่ยอมรากจากกันไม่สมควรเลยจะทำให้พวกเขาตกนรกครั้นถึงทางแยกสองแพร่งจึงหยุดยืนอยู่ แล้วกล่าวถึงความคิดนั้นกล่าวอีกว่าเธอจงเลือกเอาทางหนึ่งเราจะไปอีกทางหนึ่งนางกล่าวว่ามาตุคามเป็นเครื่องกังวลของบรรพชิตทั้งหลายแล้วกระทำประทักษิณ ส, สามรอบไหว้ด้วยเบญจางคปดิษฐ์แล้วประคองอัญเชลีกล่าวว่าความสนิทสนมกันในฐานมิตรที่ทําไว้ในการประมาณแสนปีสิ้นสุดลงในวันนี้ท่านเป็นชายเป็นชาติขวา ทางขวาสมควรแก่ท่านเราเป็นมาตุคามเป็นชาติซ้ายทางซ้ายสมควรแก่เราดังนี้ในการทั้งสองแยกกันนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวพระพุทธเจ้าทรงสะดับเสียงแผ่นดินไววแล้วทรงไรรครวนดูก็พบว่าเกิดจากกำลังคุณของทั้งสองคนเราควรสงเคราะห์คนทั้งสองคนและเสด็จไปไกลาสามคาวุธ ประทับที่โคนต้นพหุปุตตะนิโครธระหว่างกรุงรัชครืกับเมืองนาลันทารอรับการมาของปิดผลิมานพทรงให้การอุปสมบทและแสดงธรรมให้ท่านบรรลุพระอระหัตส่วนนางพัิกาปิลานีได้ไปบวชในสำนักปริพาชคอยู่ห้าปีต่อมาก็บวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ไม่นาน ก็บรุพระอรหันต์ถึงความช่ำชองในบุพเพนิวาสยานต่อมาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางบุพเพนิวาสยานวันหนึ่งพระเถรีเปริงอุทานชมเชยคุณธรรมของพระมหากรสปะเทระและคุณของตนว่าพระมหากรสปะเทระผู้เป็นบุตรเป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นดี ท่านรู้ขันที่อยู่อาศัยในปางก่อนเห็นสวรรค์ละอบายถึงความสิ้นชาติเป็นผู้เสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นพรามผู้ได้วิชาสามนางพัตตกาปิลานีก็ได้วิชาสามเหมือนพระมหากระสปะละมัตจุได้ทรงร่างกายนี้เป็นที่สุดชนะมารพร้อมทั้งพาหันะ เราทั้งสองเห็นโทษในโลกแล้วจึงบวชเป็นผู้สิ้นอสวะฝึกตนแล้วมีความเย็นดับสนิทแล้ว